คำว่าอา น, นิฮิตังความว่าเราจะบอกซึ่งธรรมะอันประจักแเกยตนที่เรารู้เฉพาะตนเองพระพุทธเจ้า น, นี่เป็นสัพพันธ์อยู่ใช่ไหมตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองเพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่บอกแบบว่ากล่าวตามกันมาไม่บอกตามที่ได้ยินกันมาไม่บอกตามลำดับสืบกันมาไม่ได้บอกโดยอ้างตำราไม่ได้บอกโดยนึกเดาเอาไม่ได้บอกแบบคาดคะเนไม่ได้บอกโดยการตรึกตรองตามอาการไม่ได้บอกว่ามันตรงกับลัทธิของตนเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจะบอกในสิ่งที่พระองค์บรรลุตรัสรู้จริงๆอิง น, นะพระองเนี่ยตรัสรู้อริยสัจตรัสรู้ธรรมะเป็นที่พ้นทุกเนี่ยนะพระองก็บอกธรรมะเป็นที่พ้นทุกและข้อปฏิบัติในธรรมะเป็นที่พ้นทุกขนั่นแหละคําว่ายังวิธิตวาสโตจรัง น, นะที่บุคคลรู้แล้วก็เป็นผู้มีสติเที่ยวไปเนี่ยคําว่ารู้แล้ว่รู้อะไรก็คือที่ผู้ฟังฟังแล้วฟังรู้แทงตลอดอริยสัจเมื่อบรรลุอริยสัจอย่างเงี้ยก็มีสติ เที่ยวไปคือมีสติปัฏฐานสีเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวไปด้วยสติปัฏฐานสี่คำว่าเที่ยวไปเที่ยวไปทั่วผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปรักษาบํารุงเยียวยาฉะนั้นจึงชื่อว่ารู้ทำใดเป็นผู้มีสติเที่ยวไปคือรู้อริยสัจแล้วจะมีสติเที่ยวไปนั่นเองตันหาชื่อว่าวิสัติกาตันหาอันเกาะเกี่ยวอารมณ์ต่างๆในโลกเนี่ยนะตันหาชื่อว่าวิสัติกาตันหาราคะสราคา้าอภิชาโลภาอกุศลมูลเนี่ยนะ ตันหาเนี่ยนะโดยศัพท์หมายถึงว่าซ่านไปหรือเกาะเกี่ยวนะถามว่าเพราะเหี้ยไรตันหาจึงชื่อว่าวิสติกาเพราะเพราะมันแผ่ไปกว้างขวางซ่านไปครอบงำนำไปผิดให้กล่าวผิดมีรากเป็นพิษมีผลเป็นพิษมีการบริโภคเป็นพิษแต่มันอร่อยน ะ, นะแต่ว่ามันมีรากเป็นพิษมีผลเป็นพิษมีการบริโภคเป็นพิษแต่มันอร่อยตันหานั้นที่ชื่อว่าวิสัติกาเพราะว่ามัน กว้างขวางแผ่ส่านซ่านไปแผ่ไปซ่านไปในรูปเสียงกลี่นรถโพธพภะซ่านไปในสกุลคณะอาวานตลาบยสศสรนเสริญสุขจีวณบิณฑบัตรเสนาสนักกีฬานปัจจัยเพศศัพบริขารในกามาธ า, า, า, ารูปธาตุอรูปธาตุในกามาพบรูปพบอรูปพบในสัญญาพบอสัญญาพบเนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวโอการภพจตุโวโอการภพปัญจโวโอการภพอดีตอนาคตปัจจุบันในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งนั้นตันหามันแพร่ซ่านไปหมดอ่ะถามว่าอาณาจักรของตันหานี่แค่ไหนก็บอกว่าวัตตะในภูมิ3าเป็นแดนแห่งตันหาหมดวิสัยของตันหาหมดอารมณ์ของตันหาหมดเลยเนี่ยนะเวนโลกุตระธรรมซะที่เหลือเนี่ยเป็นที่โคจรแห่งตันหาได้หมด เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีสติก็ข้ามตันหาในโลกนะก็คือในโลกอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธาตุอายตนะโลกเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติพึงข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงไปซึ่งตันหาอันเกาะเกี่ยวอารมณ์ในโลกสรุปว่าเราจะบอกธรรมะคือบอกอริยสัจเนี่นะหรือบอกโพธิปัจจียธรรมในอริยสัจที่เราเห็นแล้วคือในธรรมะที่เราเห็นแล้วอันประจักษ์แก่ตนที่บุคคลทราบแล้ว คือถ้าบรรลุอริยสัจอย่างนั้นตามที่บอกกันนะจะเป็นผู้มีสติเที่ยวไปพึงข้ามตัหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆในโลกแกท่านถ้ารู้อริยสัจตรัสรูร้อย่างนี้มีสติเนี่ยตัหาไม่เกี่ยวแม้กับทุกอารมณ์ไม่ใช่เป็นลักษณะกลุ่มอะไรกลุ่มพุ่มไม้พผยนะั้นเกาะเกี่ยวทั่วไปหมดไม่ใช่ ท่านเมตครูก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจพระดำรัสของพระองค์นั้นแม้ฟังก็ดีเหลือเกินทราบซึ้งมากเหมนั้นและธรรมะอันสูงสุดคือพระนิพพานเนี่ยนะที่บุคคลทราบแล้วเป็นผู้มีสติเที่ยวไปพึงข้ามพ้นตัณหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆในโลก เพราะฉะนั้นบอกว่าอภินันทามิบอกข้าพระองค์ย่อมยินดีชอบใจเบิกบานใจอนุโมทนาปรารถนาพอใจขอบอกประสงค์รักใคร่ติดใจเขาบอกว่าพระมเหสีเนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็มาจากคําว่ามเหสีคํ า, นะ า, ว, าว่าพระมเหสีเนี่ยนะเพราะอันว่าอะไรชื่อว่าพระเหสีเพราะว่าพระผู้มีประภาคเจ้าเนี่ยทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหา ซึ่งศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุติญาณทัศนขันใหญ่นะเรียกว่าทำแสวงหาธรรมขันห้าที่ใหญ่เชื่อว่าพระมเหสีพระอัถว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาแล้วซึ่งความทำลายกองมืดใหญ่ทำลายวิปลาสใหญ่ลูกสอนใหญ่ตันหาใหญ่อะ น, นะ ซึ่งความตัดความสืบต่อแห่งทิฏฐิใหญ่ซึ่งความให้มานะเป็นเช่นธงใหญ่เนี่ยตกไปซึ่งระงับอภิสังขารใหญ่สละโอคะใหญ่เรียกว่าปลงภาระใหญ่ตัดสังสารวัตรใหญ่ให้ถึงความเร่าร้อนใหญ่เนี่ยดับให้ถึงความระงับให้ดับความเดือดร้อนใหญ่เนี่ยนะสงบระงับดับความเดือดร้อนใหญ่ยกซึ่งธรรมะใหญ่คือโพธิปัจจยธรรมเนี่ยใหญ่ ซึ่งสติประธานสมมาประธานอิธิบาทอินรีพระละโพชงอริย ม, มารคมีองค์แปดใหญ่ซึ่งอมาตะนิพานที่เป็นประมัติที่ใหญ่ผพระองค์เนี่ยยกธรรมะคือโพธิปักยธรรมที่ใหญ่แบบนี้จึงชื่อว่าพระมหิสี อีกอย่างหนึ่งพระธรรมว่าอันสัตว์ทั้งหลาย ah. าผู้มีศักย์ใหญ่แสวงหาเสาะหาสืบหาว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทวดาล่วงเทวดาประทับณที่ไหนพระนราสภาวประทับอยู่ที่ไหนนะคร้ก็แสวงหาพระพุทธเจ้าออกกัน อมตะนิพานคือความสงบประงับสังขารความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความสำรอกตันหาความดับตันหาความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดท่านกล่าวว่าเป็นธรรมะอันอุดมธรรมะที่สูงสุดหรืออุด ม, มธรรมธรรมะอุดมเนี่ยหมายถึงพระนิพานคาว่าธรรมะอุตมังเนี่ยนะก็คือเป็นธรรมที่เลิ่อประเสริฐวิเศษเป็นประธานสูงสุดอย่างยิ่ง คำว่ายังวิธิตาวาสโตจรังคือให้ทราบเทียบเคียงพิจารณารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยนะมีสติด้วยเหตุ4ประการเป็นต้นคือมีสติประฐานสี่เป็นต้นเที่ยวไปในอริยาบทสี่ที่ข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกสรุปคำเป็นคำอนุโมทนาของท่านเมตรูว่าข้าแต่พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์เนี่ยชอบใจพระดำดัดของพระองค์นั้น คำสอนที่พระองค์สอนเนี่ยดีเหลือเกินชอบใจมากแล้วก็ชอบใจในธรรมะอันสูงสุดคือพระนิพพานที่บุคคลทราบทราบอริยสัจเนี่ยนะทราบอย่างนี้แล้วก็มีสติเที่ยวไปถ้ามีสติเที่ยวไปอย่างนี้ก็ข้ามตันหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆในโลกได้อันนี้ก็เป็นคำชมคำมโนโมทนาในคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไปทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อว่าดูก่อนท่านเมตรครู ท่านรู้ธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงชั้นต่ำชั้นกลางและส่วนกว้างท่านจงบรรเทาความยินดีความพัวพันและวิญญาณในธรรมะเหล่านั้นเสียไม่พึงติดอยู่ในภพอันนี้สอนให้ละอย่างเดียวสอนให้ละว่าท่านรู้อะไรก็ตามเถอะ <c oughs> เมื่อท่านรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะท่านละความยินดีในสิ่งเหล่านั้นซะตัดชั้นราคะในวิญญาณเหล่านั้นซะแล้วก็อย่าตั้งอยู่ในภพใดภพหนึ่ง ซึ่งคําว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนาคตเรียกว่าชั้นชั้นสูงอะนะอดีตเรียกว่าชั้นต่ําปัจจุบันเรียกว่าส่วนท่ามกลางเทวโลกเรียกว่าส่วนชั้นสูงนรกเรียกว่าส่วนชั้นต่ํามนุษย์เรียกว่าส่วนชั้นกลางกุศลเรียกว่าชั้นสูงอกุศลเรียกว่าชั้นต่ําอัพยกรตะธรรมเรียกว่าชั้นกลางส่วนกว้าง ตรัสรูปธาตุว่าชั้นสูงกามาธาตุว่าชั้นต่ำรูปธาตุเป็นชั้นกลางส่วนกว้างสุขเวทนาเป็นชั้นสูงทุกขเวทนาเป็นชั้นต่ำอุเบขาเวทนาเป็นชั้นกลางส่วนกว้างเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเนี่ยนะเรียกว่าชั้นสูงเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมาเรียกว่าชั้นต่ำส่วนกลางก็คือทั่วตัวเนี่ยเรียกว่าส่วนกว้างเพราะฉะนั้นเรียกว่าคาถาที่ว่าท่านรู้ธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเป็นธรรมะชั้นสูงชั้นต่ําชั้นกลางและก็ส่วนกว้างนะรู้ทั้งหมดที่กล่าวไปนะสรุปก็คือรู้ทุกสัตว์นะที่กล่าวไปทั้งหมดนะั่นนะความพัวพันเะนี่ยนะท่านจงบรรเทาความยินดีความพัวพันนะคําว่ายินดีหรือพัวพันก็พัวพันด้วยตันหากับด้วยทิฏฐิเนี่ยนะตันพะพันด้วยตันหาก็ด้วยตันหาร้อยแปดพันด้วยทิฏฐิก็ทิฏฐิหกสเป็นต้นนั่นแหละ และวิญญาณอันสหรคตด้วยปุญญาพิสังขานาปุญญาพิสังขานแล้วก็อเนินชาพิสังขานเพราะนั้นท่านจงบรรเทาจงตัดสลัดถอนถอนทิ้งจงละทําให้ไกลทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งความยินดีและความพัวพันนะนยินดีผัวยินดีพัวพันด้วยตันหากับทิฏฐิแล้วก็ละความยินดีในวิญญาณทั้งที่เป็นปุญญาพิสังขานาปุญญาพิสังขานอเนินชาพิสังขานในธรรมะเหล่านั้น เพราะฉะนั้นท่านจงบรรเทาความยินดีคือยินดีด้วยตันหาเนี่ยนะความพัวพันด้วยอำนาจตันหากับทิฏฐิในวิญญาณในธรรมเหล่านั้นอนนี้สอนให้ละอย่างเดียวเลยนะทุกอย่างทุกอารมณ์ที่รับรู้เนี่ยละฉันทราค้าในส่วนเหล่านั้นซะพบแบ่งออกเป็นสองคือกรรมมพบอย่างหนึ่งกับพบใหม่อันมีในปฏิสนธิกรรมมพบก็คือปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารปิณานินชาพิสังขาร เ, เรียกว่ากรรมมพบ ส่วนพบอันมีในปฏิสนธิเนี่ยนะก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีในปฏิสนธินี้เรียกว่าพบใหม่อันมีในปฏิสนธิ คำว่าพระเวณติเตความว่าเมื่อละขาดบันเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงซึ่งความไม่มีความยินดีความพัวพันวิญญาณอันสหรคตด้วยอภิสังขารกรรมมพบและพบใหม่อันมีในปฏิสนธิไม่พึงตั้งอยู่ในปฏิสนธิไม่พึงตั้งอยู่ในกรรมมพไม่พึงดํารงอยู่ไม่พึงปฏิสถานอยู่ในพบใหม่อันมีในปฏิสนธิเนี่ยนะก็มุ่งละอย่างเดียวเลยนะทั้งละวัตะละให้หมดเลยว่างั้น สรว่าท่านย่อมรู้ธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่ง น, นะคือรับทราบอารมณ์ในวัฏฏะในภูมิสามนะไม่ว่าจะเป็นชั้นสูงชั้นต่ำชั้นกลางส่วนกว้างท่านจงบรรเทาความยินดีด้วยตัณหาและความพัวพันด้วยอำนาจตัณหาทิฏฐิในวิญญาณเหล่านั้นคือวิญญาณในภพเนี่ยนะวิญญาณที่เป็นปุญญาพิสังขานาะปุญญาอเนนชาแล้วก็ไม่ตั้งอยู่ในภพทั้งที่เป็นกรรมภพแล้วก็ปฏิสนธิในภพใหม่ พระองค์ก็ตรัสสอนต่อไปว่าภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาทมีความรู้แจ้งละความยึดถือว่าเป็นของเราแล้วเที่ยวไปพึงละชาติชราความโศกความรำพันอันเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้ที่ยวคือถ้าปฏิบัติอย่างที่กล่าวไปนะมีสติไม่ประมาทรู้แจ้งแลว้วก็ละความยึดถือได้เขาอาจจะละชาติชราความเศร้าโศกความทุกข์ในอัตภาพเขาละได้ในชาตินี้แหละ ไม่ต้องไปรอละชาติหน้าอะไรหรอกฟังกันคําว่ า, วาเอวังวิหารีความว่าละบันเทาทําให้สิ้นให้สุดให้ถึงความไม่มีซึ่งความยินดีความพัวพันวิญญาณอันสหรคตด้วยพิสังขารกรรมมพและพบใหม่อันมีในปฏิสนธิเนี่ยนะถ้าอยู่อย่างนี้ก็จะมีสติแล้วก็ไม่ประมาทคําว่าอัปปมัตโตเนี่ยนะที่บอกว่าพิสุอยู่อยู่ด้วยความไม่ประมาท ก็คือทําด้วยความเต็มใจนั่นแหละคือทําเนืองๆทำไม่หยุดมีความประพฤติไม่ย่อย่อนไม่ปลงฉันท่าไม่ทอดทุระไม่ประมาทในกุศลธรรมคือมีความพอใจความพยายามความหมั่นความเป็นผู้มีความหมั่นความไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะความเพียรให้กิเลสร้อนทั่วความเพียรชอบความตั้งใจความประกอบเนืองๆใดในกุศลธรรมนั้นว่านะผู้ที่ ผู้ที่มีความไม่ประมาทน ะ, an, ะนะเมื่อไรเนาะเราจะบําเพ็ญศีลขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์เพ่งอนุเคราะห์สีละขันธ์ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในกุศลธรรมสมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุติขันธ์วิมุตติญาณทัศน์ขันธ์ก็เหมือนกันว่าทํำยังไงเราเพ่งบําเพ็ญสมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุติขันธ์วิมุตมติญาณทัศน์ขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์เพ่งอนุเคราะห์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุติขันธ์วิมุตติญาณท อย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมคําว่าความพอใจความพยายามความตั้งใจความประกอบเนืองเนืองใดว่าเมื่อไหร่เราพึงกําหนดรู้ทุก์ที่ยังไม่กําหนดรู้ละกิเลสที่ยังไม่ได้ละพึงเจริญมักที่ยังไม่ได้เจริญพึงกระทําให้แจ้งซึ่งนิโรธที่ยังไม่ทําให้แจ้งความพอใจเป็นต้นนั้นเรียกว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมพอใจฝักไฟที่จะทํา กิจในอริยสัจเนี่ยนะทำปริญญาในทุกละสมุทัยทำจจเจริญอริยมรรคทำนิโรธให้แจ้งกันนะคาว่าภิกษุในที่นี้เป็นชื่อของภิกษุที่เป็นกัลยาณ์นัปุตชนกับพระเสขะส่วนถ้ารู้อย่างนี้มีสติที่ออกไปเนี่ยนะคำว่าความยึดถือว่าของเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือยึดด้วยอํานาจตัณหากับยึดด้วยอํานาจทิฏฐินะความยึดถือนะยึดถือว่าของเราบางทีก็ยึดด้วยตัณหาบางทีก็ยึดด้วยทิฏฐิ คำว่ารู้แจ้งก็คือรู้แจ้งมีญาณมีความรู้แจ้งเป็นนักปราดรู้นะว่าชาติทุกเป็นต้นเรียกว่าทุกนะก็ทุกในวัตตะทั้งมวลเรียกว่าทุกคำว่ารู้แจ้งคือรู้แจ้งมีญาณมีความแจ่มแจ้งเป็นปราดพึงละคือบรรเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งชาติชราความโศกความร่าไรในอัตภาพนี้ทีเดียวสรุปคาถาที่กล่าวไปว่าผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ปฏิบัติดังที่กล่าวไปเนี่ยนะมีสติ ไม่ประมาท น, น, นะนะมีความรู้แจ้งละความยึดถือว่าเป็นของเราเที่ยวไปเพรา ะ, ะนั้นผู้ที่ปฏิบัติอย่างเนี้ละชาติชาความโศกและปริเทวะอันเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้ทีเดียวเรียกว่าละวัตะได้แน่ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ทีนี้ท่านพระเมตตคูก็กล่าวว่าข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ชอบใจพระดารัสของพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ที่ตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมะที่พระองค์ตรัสเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่มีอุปธิพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละทุกได้แล้วเป็นแน่จริงอย่างนั้นธรรมนั้นอันพระองค์ทราบแล้วเนี่ยโอ้พระองค์เนี่ยบรรลุดีจริงอะนะที่พระองค์ตรัสได้ดีขนาดนี้พระองค์ต้องบรรลุจริงอ ะ, อะนะก็เป็นคํายกย่องสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้า